บุคคลผู้มีขันธสันดานบริสุทธิ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าการที่ความบริสุทธิ์ของบุคคลนั้นสามารถส่องให้เห็นสิ่งที่พึงรู้จึงเป็นพระพุทธคุณแม้พระคุณของพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะเหตุลายเพราะอะไรเพราะพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นที่ส่องได้เห็นเขตแดนเป็นอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้น จะมีอะไรที่ท่านพึงพารนาในเรื่องพระเจ้าข้อ น, นั้นเป็นความจริงเนาะจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายย่อมแล่นไปในอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์อันสิ่งที่พึงรู้อันสิ่งที่พึงรู้หาประมาณไม่ได้มีพยานที่แล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันหามาวานไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาพิจารณาในลักษณะนี้จะเห็นพยานของพระบรมศาสดาเลยเนาะ พระบรมศาสดานั้นมีสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยนะพระศาสดามีพระพุทธญ า, 14, า, า, ธาณานนะาาสิบสี่อาสาธนัญญาณหกนะเวสารัชญาณสี่พิญญาหกวิชา 8, แปดเจรณธรรมสิบห้านะพะยานของพระบรมศาสดาเนี่ยนะไม่ติดขัดในอดีตเลยนะเวลาจะคิดพยานของพระบรมศาสดาย้อนอดีตไม่มีติดขัดเลย และพยานของพระศาสดาก็ไม่ติดขัดในอนาคตพยานของพระบรมศาสดาไม่ติดขัดแม้ในปัจจุบันพระบรมศาสดานั้นประกอบไปด้วยคุณธรรมมีพยานทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ติดขัดด้วยประการอย่างนี้กายกรรมทั้งปวงของพระบรมศาสดามีพยานนาหน้าเนะอย่างเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวกายกรรมมีปัญญานาบ่อยมย ไม่ค่อยน้ำแล้วโลภะน้ำบ้างโทสะน้ำบ้างโมหะน้ำบ้างน้าช้าใจไหมบางทีเดินไปตั้งไกลแล้วโอหกลัวจะรู้ว่าเราเดินด้วยความโลภใช่ไหมนายจะเดินไปน่าจะมียานปัญญานำหน้าไม่ค่อยดีแล้วบางทีพูดไปซะตั้งนานแล้วปัญญานำไหมว่าจีกรรมของเราก็ไม่มีพยานนำหน้ามโนกรรมก็คิดเรื่องอะไรก็ไม่มีพยานนำหน้า แต่พระปรมาสดานั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่นะมีพระปัญญายานสูงสุดนำหน้าหมดเลยไม่มีเลยนะจะกระดิกนิ้วนิดเดียวโดยไม่มีพยานนำหน้าไม่มีเหตุผลเราเนี่นั่งไม่มีเหตุผลกระดิกนิ้ววันไม่รู้กี่ร้อยครั้งเลไม่มีเหตุผลไม่รู้กระดิกไปทําไมเลยนะแม่แม่แม่แมมไม่มีปัญญานำหน้าพระศาสดาขนาดจะขยับมือนิดหนึ่งต้องมีเหตุผลนี่นี่คือพระเจ้า แค่จะแย้มพระโอษฐ์แต่ละครั้งแปลว่าต้องมีเหตุแล้วจะกระดิกนิ้วแต่ละครั้งต้องมีเหตุแล้วแต่ท่านเหล่านั้นจักรู้ไหมพระหนนต้องคอยสังเกตต้องมีปัญญามากต้องคอยสังเกตนะถ้าวันนี้พระาศาสดางแงม้มพระบานประตูเนี่นยะนิดหน่อยนะี่แปลว่าพระาศาสดาจะทําอะไรพระนนต้องรู้เนะถ้าปิดสนิทแปลว่าจะทําอะไรนี่ต้องรู้เนะอย่างนี้เป็นต้นว่าวันนี้มีพระประสงค์จะเสด็จบินฑบาทเพียงลำพงังวันนี้จะ มีความมีประสงค์จะเสด็จบิณาบาตมีภิกษุตามเสด็จด้วยวันนี้มีพระประสงค์ที่จะไม่เสด็จไปณที่ไหนจะไปโปรดสัตว์ณที่ไหนเนี่ยต้องรู้อย่างเราไปนั่งก็มืนเลยใช่ไหมนั่งมืนเลยนี่เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยอ่ะวันนี้มานั่งรู้จักพระพุทธเจ้าสักน้อยนิดเป็นบุญไหมโอ้ยนับเป็นบุญแล้นับเป็นบุญอย่างมากเริ่มจะเห็นมุมพระเจ้า ยิ่งพิจารณาไปยิ่งเห็นยากไหมไม่ยากเราเห็นสักหน่อยเป็นบุญไหมล่ะสักนิดหนึ่งก็ทำหนึ่งใช้คำว่าห้องใจเรามีพุทธคุณสักเท่าเมล็ดพันุ์ประกาศที่ว่าเพราะเชื้อพุทธคุณไว้แล้วพอไว้แล้วแล้วในที่สุดจิตเป็นปัจจัยแก่สาวกพธิญาณปจเจกับพธิญานและสัมมาสัมปวิญาณได้แต่ถ้าพุทธคุณไม่ติดในห้องใจเลยเนะี่ยยังเหลือไกลไหม โอ้ยเหลือกายโลกาแต่รู้แต่ไม่เห็นเลยตรงนี้ถามว่ามาอบรมมีรู้จักอยากจะรักพระพุทธเจ้าจริงๆริงไหมอยากจะรักพระพุทธเจ้าจริงๆริงใช่ไหมพระบรมศาสดานั้นมีกายกรรมทั้งปวงมีพยานเป็นผู้นําไปนะกายกรรมนั้นมีเป็นไปตามพยานวจีกรรมก็เป็นไปตามพยานแม้มโนกรรมก็เป็นไปตามพยานจะคิดอะไรแล้วเนี่ยมีพยานนําหน้าหมดไหม พ, พระพุทธเจ้ามีพยานนำหน้าหมดเลย เ, เราไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยหลงโกรธไปทั้งนานจึงมาคิดได้ที่หลังเยอะอีกนานไหมฉะนั้นเราจะคิดถึงใครให้ปัญญานําก่อนได้ไหมต่อไปก็จะจะเคลื่อนไหวกายกรรมก็ให้มีปัญญานําหน้าจะพูดอะไรก็ให้มีญาณปัญญานําหน้าแล้วก็จะคิดอะไรก็ให้มีปัญญานําหน้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า เริ่มจะเดินตามพระเจ้าไหมนี่เดินตามก็เดินแบบนี้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเดินตามพระเจ้าพระเจ้าไปซ้ายเราไปขวาใช่ไหมพระเจ้าไปข้างหน้าแล้วก็เดินย้อนกลับหลังนึงไม่เจอกันทันทีเลยตอนนี้เริ่มเจออยังเริ่มเดินได้แล้วนะฉันท้าของพ่อพรมศาษษสดาจะไม่เสื่อมของเรากัดตุกกรรมยะตาฉันท้าเสื่อมบ่อยไหมฉันท้าในการเจริญกุศลเนี่ย โอ้ยวันหนึ่งไม่เคยเกิดเลยใช่ไหมเนี่ยพระศ า, าสดาในฉันทะไม่เสื่อมอย่างเรานะ่ยกัตตุกรรมยาตาฉันทะฉันท่าในการเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเกิดตลอดไหมเสื่อมเรื่อยเล ย, เลยใช่ไหมเนี่ยพระศ า, าสดาจะไม่เสื่อมการแสดงธรรมของพระศ า, าสดาก็ไม่เสื่อมไม่ใช่แสดงไปเอะไรคิดไม่ออกฟังธรรมไปแล้วก็คิดไม่ออกไม่มีเลย พระศาสดาตอนที่มีพระชนมาายุ80ปีเนะี่ยเคยถามไหมดูก่อนอนนนท์จะถากจดจำไม่ได้แล้วไม่มีเลยไม่มีเลยนะพระบรมศาสดาจะไม่มีความเสื่อมถอยจากจากการแสดงธรรมเลยนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าอย่างเราเนี่ยสาธยายทำมาจากกโปปนะสูตรได้มาวันนี้ให้สาธยายได้ไหม เลือนแล้วเสื่อมไหมขนาดทวนทุกวันยังเสื่อมเลยใช่ไหมเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้แต่พระปรมศ า, ศาสดานั้นการแสดงธรรมไม่เสื่อมและไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมลองคิดดูว่าอ น, นาถาปิณิการเศรษฐีที่เขาไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาครั้งแรกที่วัดเวรวัน ที่วัดเวรวันนี่นะพอนาถาไปปุ๊บเนะี่ยพระพุทธเจ้าทักอนาถาก่อนไหมทักก่อนเลยนะดูก่อนสุทัาตาฟพรงั้นเธอเสด็จมาหาตถาคตเนี่เธอมาได้ถูกแล้วเป็นต้นเลยเห็นไมโอ้โหปีติเกิดเลยคดไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วทักชื่อเลยอะ่ะไม่ใช่เหมือนคนทุกวันนี่นะใช่ไหม ทุกวันนี้โอ้โหเล่นให้ลูกศิษย์ลูกหาไปตรวจสอบรายชื่อมาไปเสร็จแล้วพอมหาก็แก้มพูดว่าพวกโอ้โหนี่ น, นยานปัญญาสูงเลยเนี่ยายใหญ่เลยใช่ไหมไม่มีพระศ า, าสดาไม่เธอรู้เธรู้ทะอ ร, รวงมะรู้แม้กระทั่งเมื่อแสนกลับหลายล้านล้านกลับที่แล้วมาเน่ะเธอไปทำอะไรไปเจ็บปวดอะไรมา ฉะนั้นถ้าเราไม่มีคนทำความดีจริงๆไปเฝ้าพระาศาสดาเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้เลยต้องทำดีจริงๆไหต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีเ ป, นนดเป็นคนขัดเกลาจริงๆน้อมสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนั้นพระาศาสดาจึงเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ยากสำหรับคนคนชั่วทั้งหลายเข้าไม่ได้ต้องคนดีด้วนั้น ต้องคนดีเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้ามีโอกาสเข้าเป้าพระศาสดาใช่ไหมฉะนั้นการแสดงธรรมของพระศาสด า, าก็ไม่เสื่อมความเพียรก็ไม่เสื่อมให้สังเกตดูนะตอนที่พระบระมาศาสดาสร้างบา ร, รมีมาไม่ต้องพูดถึงไม่เคยเสื่อมความเพียรเลยไม่เคยว่าโอ้ยไม่เอาแล้วการสร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้านี่ลำบากเหลือเกินทรมานมาก ท้อถอยดีกว่าไม่มีเลยไม่เสื่อมเออไม่เสื่อมแล้วสมาบัดก็ไม่เสื่อมใน菩 า, าสดาเนี่ยทำไมในรรษาการสุดท้ายพระบรมศาสดาจริงทรงไม่เข้าอยู่ในสมาบัดเพื่อจะรักษากระแสของชีวิตรู้ไหมเพราะถ้าเข้าสมาบัดนี่นะชีวิตก็จะไม่ปริยนิพานภายในสามเดือน พระ อ, องค์จึงตั้งยอมให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเบียดเบียนกระแสขันของพระบรมศาสดาเพราะพระศาสดามีสัจจะวาจาไหมสัจจะบารมีมีไหมฉะนั้นรับปากข้าพยาบาลว่าสามเดือนจะบริพ่านก็ต้องเป็นสามเดือนปรินิพานแปลว่าพระบรมศาสดาทิ้งขันทภาระให้กัาพยาบาลที่ขอที่จริงเนี่ยพยาบาลขอตั้งแต่ตอนตัดสรุปใหม่ๆแล้วแต่พระศาสดาต้องอดกลั้นไหม ต้องอดกลั้นเพื่อใครเพื่อพวกเราถ้าอย่างนั้นจักไม่มีพระธรรมเทศนาออกจากพระโอษฐ์ออกจากหาไทยนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเพื่อพวกเราโดยแท้ตามธรรมดามีคนไปขอกระแสขันของพระศาสดาในอดีตที่ผ่านมาพระศาสดาสละให้ทันทีไหมทันทีเลยนี่คือพระพุทธเจ้านี้แหละคือพระพุทธเจ้า ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยสักนิดนึเนเราจะรู้ว่านี้แหละคือพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์สละกระแสขันให้กับพญามารตั้งแต่วันแรกจะถัดรู้พวกเราก็ไม่ได้ไประโยชน์ทั้งๆ ท, ที่พระศาสดาเนี่ยหมดกิเลสแล้วจะทิ้งไปก็เมื่อไหร่ก็ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ผกพันอะไรกับเราเนะ โดยฐานะตันหามนาันน่าทิฏฐิเลยแต่พระองค์มีสัญญาใจไงสัญญาใจว่าเมื่อเราตัดสรู้แล้วจกให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเมื่อเราพ้นจากสังสารวัฏแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยสังสารวัฏนี่มันมีภัยมากพระองคนะ์ต้องผูกเขาไว้ตลอดถ้าไม่ผูกในใจหลุดไหมหลุดตั้งนานแล้ว พระอาหารหันตตาเจ้าทั้งหลายพระประเจคุณพระเจ้าทั้งหลายท่านไม่ผูกพันเราเท่าไหร่นะไม่ผูกพันเราเท่าไหร่นะมีพระาศาสดาเท่านั้นแหละผูกพันพวกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรที่เกิดจากอกฉะนั้นพระองค์จึงยอมอดทนต่อการที่มานมาขอนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักพระาศาสดาสักนิดเนี่ยเราจะรู้จักว่าพระาศาสดาเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นทุกอนูที่โดนขอเนี่ยนะต้องทนต้องอดทนเพื่อพวกพุทธบริษัทพวกบุตรของตนท่านก็ต้องยืนยันตลอดว่าดูก่อนมานผู้มีบาปนะ่ดูกนมานผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาณ ตถาคตจกทาให้ภิกษุภิกษุณีบาศกและอุบาสิกาของตถาคตนั้นมั่นคงแข็งแรงตั้งมั่นในปริยติศาสนาปฏิปฏิติศาสนาและปฏิเวทศาสนาอาจาาล่าเริงสามารถข่มประับอวาตารา ท, าทิมจะมาทำลายคำสอนของพระตถาคตได้เมื่อไร แต่ถ้าเขาจิงจะบริมีพานมานก็ตามทวงตลอดเมื่อบรุลืมเลืมล่มนนเนี่ยนะมานก็ช้ำใจมานก็เศร้าใจนะที่คนจะพ้นจากพ้นจากบ่วงของเขาพ้นจากอํานาจของเขาเนี่ยมานก็ทุกข์ใจมากเพราะมานไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยออกไปจากสังสารวัดรนั้นเราเนี่ยเป็นเหยื่อของเขา เราถูกเหยื่อของมารนี่ล่อดักไว้หมดแล้วมันดักเราไว้ทุกจุดมารก็กลัวมากกลัวสัมมาสัมพุธิยานใช่ไหมพระศาสดาก็ต้องอดทนในที่สุดจริงๆภาษาการสุดท้ายก <tão> ็ไปขอถึงได้พระศาสดาก็ ส, ะ ล, สละเลยสละขันธภาระเลยว่าอีกสามเดือนพาโ น, นล้องให้ เขาปรมาจารย์สดาบอกว่าดูก่อนอานุนใช่ไหมบอกว่าตะถาคตทํานิมิตโอภาษสิบหกครั้งเพื่อให้ให้เธอราตนาใช่ไหมฉะนั้นความผิดไม่ใช่ความผิดของเราแต่ความผิดของเธอแต่ผู้เดียวนะเป็นความผิดโอ oh, เป็นไงพระนวลวังเหเป็นความผิดหรือแม่รัตนาถ้าราตนาไว้อยู่อีก รอยยี่สิบนี่นะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำสอนของพระศาสดาเนี่ยกิจอันใดที่ตถาคตพึงกระทำแกเธอกิจอันนั้นตถาคตทำแล้วทำบริบูรณ์แล้วเธอจะยังมาหวังอะไรในเราอีกเห็นไหมให้ขนาดนี้แล้วในสังสารวัสเนี่ย เหนื่อยเพราะพวกเธอมาขนาดนี้ทรมานมาพวกเธอขนาดนี้เธอยังจะมาหวังอะไรเราอีกให้จนขนาดนี้แล้วเพียงแค่ที่ให้ไว้เนี่ยเธอเอาไปตั้งความเพียรประกอบความเพียรเธอก็จะรักษาตัวรอดและพ้นจากทุกข์แล้วหรือยังจะหวังอะไรอีกนี่นะฉะนั้นพระบรมศ า, าสดาเนี่ยสมาธิไม่เสื่อมจะเข้าสมาบัติเมื่อไรก็ได้ทีนี้พอไม่เข้าสมาบัติแปลว่าไง แปลว่าไงโรครุมเร้าไหมโรคก็รุมเร้าพอโรครุมเร้าต้องมีขันติไหมขันติต้องอดทนไหมอดทนคิดดูขนาดเสด็จไปที่ปาวาแล้วนะไปที่ใกล้กุศินาราแล้วนะไปที่กุศินารานะระยะจากบ้านของนายจุนทกรรมละบุตรไปที่ปริณิพานพระองค์ทรงหยุดยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าครั้ง ให้พระ อ, อนุนปูราทั้งจนบอกอีกครั้งหนึ่งก็บอกให้พระ อ, อนนไปตักนะ้ำเราเหิวนะ้ำคำพูดทุกคำนั้นบอกอะไรบอกธรรมสังเวคะจนครั้งสุดท้ายบอกดูก่อนนะนน์เธอจงปูราชสังคติณนะที่นี้ตถาคตจะนอนตถาคตหนักมากหนักมากเพื่อให้เราเกิดความสะดุง้งบอกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่หนักเหลือกเกิน ที่เราต้องบำเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อพวกเธอหนักมากมากเธอรู้จักคุณของตถาคตไหมว่าต้องทนทรมานมาเนี่ยที่คนอื่นเขาบรรลุกันแล้วบรรลุกันเล่าเนี่ยแต่เราไม่ยอมบรรลุเพราะพวกเธอวันนี้หนักมากวันนี้ตถาคตจักนอนจักทิ้งแล้วนั่นแหละเป็นการทิ้งกันถาภาละที่สุดจริงๆพระองค์ก็ปรินิพานทิ้งกันถภาละแล้ว แต่พระศ า, าสดาไม่ทิ้งพวกเราไหมเราหนึ่งเดียวปรินิพานแต่พระศ า, าสดาแปดหมืนสี่พันองค์จะทากิจศ า, าสดาแทนเราเราก็ไม่เข้าใจจนทุกวันนี้ว่าตอนนี้พระศ า, าสดายังอยู่กับเราได้ยังไงแล้วพยายามเราก็ประมาทชีวิตเราก็ประมาทกจริงไหมเราไม่ยอมเดินตามท่านจริงๆและทั้งๆ ท, ท, ที่เราเราประมาทนะ พระบรมศาสดานั้น่ะความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมวิมุตต์คือความหลุดพ้นแม้แต่ในวันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไหมสรุปประเด็นคําสอนเบ็เสร็จแล้วพระองค์ก็ทิ้งขันธพ า, าละบอกดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายขันธ์ทั้งหลายเป็นของไม่เที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่ที่ยท่านทั้งหลายจงยังสิกขาสาไม่ถึงพร้อมด้วยความให้ประมาะเทเถิดสรุปประเด็นไหม และตอนนี้เมื่อเสียงพระธรรมวันสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาทดับลงชาวพุทธก็หลับสนิทมานานไม่เห็นไม่เห็นคุณของพระสาสดาโอ้หน่าทุกข์ใจไหมหลับมาดูเหมือนเป็นพุทธบริษัทกันวิ่งกันปะวิ่งกันไปแต่ไม่เห็นพระคุณของพระสาสดาเอาสิไม่เห็นคุณของมาวันนี้ตั้งหลักแล้วใช่ไหมไม่ทําอย่างครั้งที่ผ่านมาแล้วต้องตั้งหลักต้องตั้งมั่นแล้ว ตรงนี้พระบรมศาสดาไม่มีการเล่นไม่มีการทําแบบพุนพันไม่มีสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่พยานของพระบรมศาสดาไม่เคยสัมผัสไม่มีการรีบด่วนไม่มีการคิดอย่างไรจุดหมายไม่มีการวางเฉยโดยไม่พิจารณานะฉะนั้นอาเวนิกระทำเนี่ยนะทำที่มีเฉพาะแต่พระบรมศาสดาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพยานของพระบรมศาสดาที่จะพัลนานะเนี่ยโอย้นั่งพัลลากันไปเถอะ ใครยิ่งพละนามากท่านพุท น, นั้นจะดื่มดำในพุทธคุณมากใช่ไหมตรงนี้ก็เราก็ไปพิจารณาไปวิจัยไปไข้กวนเนาะเพื่อจะได้ให้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะพร ะ, พระทศพลยานหรือตถาคตะเนะยกำลังของพระตาถาคตสิบประการนั่นแหละทรงประกอบ้วยด้วยพระยานสิบประการ ย่อมไม่ทรงสอนภาษาวกทั้งหลายให้คาดเคลื่อนไปจากโอวาทภาษาสดานั้นไม่ย่อมไม่ทรงสอนให้คาดเคลื่อนจากโอวาทสามประการนะหนึ่งถ้าสรุปประเด็นคำสอนของภาษาสดานเนี่ยเธอทั้งหลายจงทำสิ่งนี้แปลว่าไม่พลาดถ้าบอกจงทำสิ่งเนี้ยทำไปเถอะทำไปแล้วได้ดีเธอทั้งหลายจงทำด้วยอุบายอย่างนี้แปลว่าอุบายวิธีข้อปฏิบัติ แล้วก็สิ่งนี้มาเธอเทั้งหลายกระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขถ้าตรัสลักษณะอย่างนี้เดินเลยเช่นเดินตามทานศีลภาวนาเนี่ยเธอจงทำสิ่งนี้และอุบายในการที่จะวิจัยดังทานกุศลศีลกุศลละภา ว, ภาวนากุศลนอุบายอย่างนี้และเมื่อเธอทั้งหลายกระทำดำเนินไปตามทานศีลภ า, นภาวนาแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข จนถึงชั้นบรมสุขฉนั้นพระศาสดาจะสรุปประเด็นเนี่ยสิกขาสามก็ดีหรือประเด็นคําสอนทั้งหลายแม้พุทธพจน์ทั้งหลายเนี่ยทุกคําสอนจะสรุปลงสามประเด็นนี้ทั้งหมดเลยจะสรุปลงสามประเด็นนี้หมดเลยคําสอนทุกพุทธพจน์ทุกทุกวัจนะทุกพระพุทธวัจนะจะสรุปสามประเด็นนี้ถ้าใครสรุปสามประเด็นนี้ไม่ได้อัตถะของคําสอนเข้าไม่ถึงอัตถะคําสอนก็เข้าไม่ถึง เพราะว่าเธอทั้งหลายจงทําสิ่งนี้เธอทั้งหลายจงทําด้วยอุบายอย่างนี้เมื่อเธอทั้งหลายทําจะเมื่อเธอเมื่อสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายกระทาจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์มีประโยชน์อะประโยชน์สามเนะโดยเฉพาะขับเน้นที่ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งและเพื่อเกื้อกูลแก่และเพื่อความสุขสุขสูงสุดคือบรมสุขสุขคือความสิ้นทุกข์ เป็นไปไม่ได้ที่สาวกซึ่งพระบรมศาสดาสั่งสอนแล้วอย่างนี้พรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้อย่างนั้นกระทาอยู่อย่างนั้นปฏิบัติอยู่นี้จักไม่บรรลุถึงโลกุตละธรรมเป็นไปไม่ได้พระเจ้าประกาศโตมเลยเป็นพระทศวรรยานเลยถ้าเธอทําอย่างนี้นะจงทําสิ่งนี้ทําด้วยอุบายอย่างนี้นะและสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายกระทำไปอย่างนี้จะเป็นเพื่อเพื่อหยดเกืกูลถ้าสาวกทําถูกเนะทําถูกอุบายถูกวิธีเงี้ย เป็นไจไม่ได้ที่จะไม่บรรลุโลกตุตระภูมิบรรลุแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสรุปคําสอนไม่ได้เราสรุปไม่ได้ฟังเอามาปฏิบัติแล้วอุบายไม่ถึงเลยไม่ได้ประโยชน์เกื้กูลแล้วไม่ได้ความสุขใช่ไหมการการไม่ได้ความสุขก็แปลเราได้ไรได้ความทุกตลอดกาลนานไหมตลอดกาลนานในนี้ต้องทําให้ดีนู ตรงนั้นพระศาสดาก็ทรงสอนกันง่ายเยอะเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ตัดสู้ธรรมเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เพื่อยาวยืนยันเลยพระศาสดาต้องตัดสู้อริยสัจต้องตัดสู้ธรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์ซึ่งเป็นผู้สิ้นกามาสวะพระวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะแล้วอาสวะเหล่านั้นจะยังไม่สิน้นเป็นไปไม่ได้เพราะพระพระุทธเจ้าเป็นพระขีณาสมบัติ ขีณะบวกอาสวะสิ้นกามาสวะแล้วสิ้นทิฏฐาสวะอวิชชาสวะแล้วก็สิ้นภาวาสวะสิ้นจากพบแล้วสิ้นจากอาสวะทั้งปวงแล้วสิ้นจากความไม่รู้แล้วตรัสรู้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นจะไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามในหญิงเป็นไม่ได้ เมื่อภาษาสดาเป็นไจไม่ได้ที่สาวกของพระ อ, องค์ซึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนั้นจะไม่กระทําให้แจ้งซึ่งการบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬานื่นอีกโดยลําดับถามว่าถ้าใครประพฤติทธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมเนี่ยบรรลุทุกคนไหมบรรลุทุกคนนี่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไงเราไม่มีธรรมมานุธรรมะปฏิบัตินั้นต้องเริ่มตั้งแต่ศาสนาคมไหม เริ่มตั้งแต่สารณาคมเริ่มตั้งแต่พุทธานุสติธรมมาสังฆานุสติต้องเริ่มตั้งแต่ไตรสาณาคมไปที่สุดจริงๆรบรรลุได้บรรลุได้ฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งมารู้จักพระเจ้าวันนี้เป็นวันแรกก็ไม่เห็นแปลกไมแปลกไมไม่แปลกหรอกก้าวถูกดีกว่าก้าวผิดมาทั้งสังสารวัตรจริงไหม ถ้าพระบรมศาสดาบอกเป็นไปไม่ได้ทำที่เป็นอันตรายแก่ธรรมอันพระบรมศาสดาตรัสไว้ไม่อาจจะก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสร็ได้จริงถามว่ามาตุค่าตปี่ตุค่าตอรหันตค่าตโลหิตวุบาตทำสังฆเภทถามว่าเมื่อทําอนันตรกรรมเนี่ยเป็นอันตรายแก่ผู้กระทําแก่ผู้ส่องเสร จ, จริงไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตก็เป็นอันตรายแก่ผู้ที่เสรได้ จ, จริงใช่ไหม โลพาโทสาโมหะมานณทิฏฐิวิจิกิขาหีนิกาเนตตาปวุตจะเป็นอันตรายต่อผู้ส่องเสพไหมจริงไหมจริงเนี่ยภาษาคำสอนพระเจ้าเป็นแบบนี้นี่พระเจ้าตรัสของจริงเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายืนยันเลยเพราะพระพุทธเจ้ามีมีพระทศวรรยานนะมีพระทศวรรย์มีตถาคตภาระคือพญานเนี่ยนะเรียกภารยานสิบประการพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันเลยว่า เอากายทุติจิตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยทําแล้วซ่องเสพแล้วทําให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ซ่องเสพได้จริงเป็นไปไม่ได้เอาสิไปทำดีเป็นอันตรายจริงจริจรนั้นถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทําที่ไม่นําออกจากวัฏทุกข์หรือชาติทุกข์เป็นต้นจะนําไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทาตาม แต่เป็นไปได้นะทำที่นําสัตว์ออกจากทุกข์จะนําจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เดยชอบแต่ผู้ทําตามนั้นถ้าถามบอกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามฉันทาพยาบาททีนมิท้าอุทะจักุกุจาวิจิขาเป็นต้นหรือมิจฉามักมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากามตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติและมิจฉาสมาธิทำเหล่านี้ เมื่อบุคคลประพฤติตามปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่สามารถจะนำสัตว์ออกจากชาติทุกข์ชาาทุกข์ปัญญาทุกข์มรณะทุกข์ไม่สามารถจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบได้แล้วจริงไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ถ้าหาักอริยมรรคหรือสัมม า, มาสัมมาสีลสมาธิปัญญาถ้าสัตว์เหล่านั้นประกอบซ่องเศษอยู่เป็นนิสแล้วเนี่ยจะนำสัตว์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์และสิ้นทุกข์ได้จริงนี่เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ที่สาวกของพระผู้มีพระเจา้าผู้ยังมีอุปธิเหลืออยู่จะบรรลุถึงนิพพานธาตุอันไม่มีอุปธิเหลืออยู่ถามบกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าวันนี้เรามีราคะโทสะโมห oh ะอยู่แล้วเราจะบรรลุพระนิพพา น, พานด้วยการที่ยังมีราคะโทสะโมห oh ะอยู่เป็นไปได้ไหมพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ัะนั้นที่จะบรรลุเพราะมีอุปธิเหลืออยู่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะ จะพึงฆ่ามารดาหรือจะพึงทำร้ายมือและเท้าแต่เป็นถาม่าบอกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีพระโสะดาบันเป็นต้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำมาตุคาตเป็นไปไม่ได้ที่จะทำปีตุคาตเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอรหันตุคาตเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำโลหิตว่าดและสังกเภทก็มานั่งคิดถึงตัวเราดิเพราะพระศาสดายืนยั น, เ, นเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีกรรมสตตาสมาธิที่ถึงพร้อมแล้วหรือวิปัสนาทิฏฐิสมาธิถึงพร้อมเหมือนคนที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาเป็นพระอทหารเนี่ยใช่ไหมบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยสัมาทิฏฐิที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเหล่านี้จะทําอนันตรกยกรรมแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนจะพึงฆ่าแม่จะพึงฆ่าพ่อ จะพึงฆ่าผ้าละหันทำร้ายพระเจ้าแล้วก็ทำสังฆเพศ น, นี่เป็นไปได้และจะพึงทำร้ายด้วยมือและเท้ามีการตบมีการตีเป็นต้นนี่ไงพระทศภรยานของพระศ า, าสดานี่ไงพยานที่พระศ า, าสดาบอกเป็นไปได้ฉะนั้นพอมาพูดถึงตรงนี้เราท่านทั้งหลายต้องสังวรระวังไหมต้องเพียพรพยายามไหม ว่าเราว่าเราลักแม่วันนี้เป็นไปไม่ได้นะถ้าเราเกิดวิปริตมนสิการเมื่อไหร่แล้วเนะี่ยเราพร้อมที่จะตบตีแม่ดา่าแม่ทำร้ายแม่ถึงที่สุดฆ่าแม่เป็นต้นได้แต่ถ้าเราปรารถนาจะดับความคิดตรงนี้ให้เด็ดขาดก็ทำสัมมาทิฏฐิให้ประชุมในมรรคอย่างนั้นพทธเจ้าเป็นไปไม่ได้ ที่คนถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิระดับนั้นแล้วจะทาํามาดูฆ่าเป็นต้นด้ว <S <S <S ฉะนั้นในรายละเอียดตรงนี้ก็คือบอกว่าบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจกไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่า พ, พระอรหันต์นี่ยนะจกไม่ฆ่าจกไม่ทําลายสงฆ์จกไม่ทำพระตรามคตให้ห่อพระโลหิตเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้บุคคลที่ถึงพร้อมนะ ด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยยานปัญญาทั้งหลายที่เป็นพระโสดาบันจะคิดร้ายต่อพระตถาคตทำร้ายพระตถาคตจนห่อพระโลหิตหรือจะพึงคิดร้ายต่อพระตถาคตทำลายพระสถูปทำลายพระพุทธรูป <Jenny. S 2> to ทำลายพระเจดียดทำลายต้นประสีมหาโพเป็นไปไม่ได้บุคคลที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นจะไปคิดร้ายทำล้ายสถูปหรือสัญลักษณ์องค์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้เนะ ปุถุชนทั้งหลายนาะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะเป็นไปได้เลยแหละที่จะพึงคิดร้ายต่อพระาศาสดาโกรธพระพุทธเจ้าและในที่สุดจริงๆก็ทําร้ายพระพุทธเจ้าทําร้ายสงนะคิดร้ายต่อพัฒนาคตทําลายพระสถูปได้ไหมทําลายพระสถูปก็ได้ทําลายพระพุทธรูปก็ได้ทําลายต้นพระศรีมหาโพกก็ได้น่ากลัวไหม ใ, หในอนาคต ถ้าเรายังถอนความเห็นไม่ได้เราจะเป็นผู้ไปนั่งตัดต้นพาะสีมหาโพไปทบสถูปไปตัดเสียนพระพุทธโลกเนาะเราเห็นโอ้ยตาลีบันก็ยิงพระพุทธโลกสูงใหญ่ตมแล้วก็ทำนิคนนี้ชั่วแท้เราพน้นได้ยังยังเพราะเรายังเป็นปุตุชนความเป็นบุตุชนน่ากลัวมาก วันนี้ยังนับถือภาษาสดาพรุ่งนี้อาจจะไปนับถือาศาสดาอื่นนี่ก็ใครควรพิจารณ า, านี้ก็จะเห็นเนาะเราเป็นอนเนตตาบุคคลนะไม่แน่นอนเลยถ้ารู้อย่างนี้ประมาต่อไปเรื่องเร่งเร่งความเพียรเร่งวันไหนวันนี้ต่ออีกห้าวันก็ไม่ได้จากัดไว้แล้วต่อไม่ได้นะ ไปต่อที่บ้านเนาะตั้งความเพียรที่บ้านอา่ะใครจะถามอะไรมหมสี่โมงแล้วอ่ะให้ถามได้เนาะที่จริงจะมามาบอกเมตตาเลยไม่ได้บอกเลยก็ อ, อยากให้เราเห็นคุณของพระาศาสดาก่อนนะก็เลยมาสาธยายในเรื่องนี้ ขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะเใครมีปัญหาถามได้ขอกลาบขอโอกาสพระอาจารย์ถามในปัญหาดังนี้เจ้าค่ะ ด้วยสังคมเมืองและสังคมโลกปัจจุบันมีการไหลป่าของกระแสะโลกไม่ว่าในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีอันมากมายประกอบกับความเร่งรีบของผู้คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันการแข่งขันต่างๆจากปัญหาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเนี่ยค่ะขอกลาบพระอาจารย์ช่วยแนะนำที่จะให้ข้อธรรมเพื่อใชในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานและ ข้อธรรมที่จะใช้อบรมในฐานะที่เราไปเป็นผู้ปกครองผู้อื่นในฐานะที่เป็นเจ้านายหรืออบรมในฐานะของผู้ปกครองในหน่วยงานต่างๆด้วยเจ้าค่ะ เ, ออเกี่ยวกันในเรื่องของสภาพสังคมเมืองนี่นะที่สังคมเมืองก็คือในยุคที่วัตถุ ก, กรรมเฟื่องฟูนะก็แปลว่า ถ้าเราพูดถึงในด้านของชั้นของมองภาพรวมของคําอของของสิ่งต่างๆนี่นะถ้ามองอย่างนี้ว่าอกระแสของทางโลกที่เขาเรียกว่ากระแสของวัตถุนิยมนะกระแสของวัตถุกางนี่เองก็คือวัตถุนิยมไอคําว่าวัตถุนิยมในที่นี้ก็คือกระแสของวัตถุกลามเนี่ยเพื่องฟูมากถูกประดิษฐ์ประดอยทําให้วิจิตทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะนี้เราจะมองว่า ถ้าศาสดาเนี่ยที่ทรงเทศนาธรรมจักกับพระวัฒนสูตรคําว่าธรรมจักเนี่ยคําว่าจักเนี่ยก็คือวงล้อธรรมะก็คือธรรมะวงล้อแห่งธรรมะพระศาสดาได้เทศนาธรรมจักกับพวัฒนสูตรก็แปลว่าทรงเทศน์คือจกักกะคือกองล้อแห่งพระธรรมกงล้อแห่งพระธรรมเนี่ยคืออะไรก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาคือ ma, it, สมาธิตีเป็นต้นนะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตัฏฐะสัมมาอาชีวะสัมมาวิมภาัมมาสติและสมาสมาธิศีลสมาธิปัญญาโดยย่อลงมานี่กงล้อแห่งธรรมะเนี่ยเมื่อพระศาสดานั้นประกาศกงล้อแห่งธรรมะพระธรรมเหล่านี้ก็กลิ้งหมุนหมุนก็คือูกระแสชีวิตของสัตว์สัตว์เหล่านั้นก็เปิดใจทําให้ศีลสมาธิปัญญาหมุนเข้าสู่กระแสใจสัตว์เหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงอาจหัน ใช่ไหมก็แปลว่าอะไรกระแสของพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็กลิ้งหมุนไปตลอดตอนนี้ก็หมุนมาในประเทศไทยแต่ท่านผู้ใดนะั้นมีศรัทธาในพระธาตคตก็ลองรับเอากระแสของธรรมจักรคือกลงล้อแห่งธรรมหมุนก็สู่ของกระแสชีวิตเขาก็ได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมรสของความสุขจากการได้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมทีนี้ในด้านของกระแสเหล่านี้นะถ้าเราพูดถึงอาณาจักรเขาเรีอออยกกงล้อแห่งอำนาจ ฉะนั้นอาณาจักรจา ก, กธรรมจักรหรือพุทธจักรเนี่ยกงล้อแห่งพุทธธรรมกับกงล้อแห่งอำนาจเนี่ยกงล้อแห่งอำนาจก็คือการการแย่งชิงทีนี้ศึกการแย่งชิงถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้ากงล้อแห่งอำนาจก็มองถึงพระราชามาหากษัตริย์จะมีพระราชาอำนาจในการที่จะแข่งขันชิงดินแดนกันใช่ไหมแต่ในยุคปัจจุบนันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ในยุคเช่นนี้เนี่ยการที่เขาชิงกันเนี่ย คือการที่กระแสของวัตถุ ก, การมทั้งหลายกระแสของวัตถุนิยมทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็ แ, แปลว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเหล่าเนี้นะหรือค่านิยมต่างๆอันนี้มันเป็นระบบไร้พรมแดนแล้วฉะนั้นในยุคไร้พรมแดนทั้งหลายเนี่ยกระแสของวัตถุ ก, การมนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกปิดกั้นไม่ได้ถูกปิดปิดกั้น พอไม่ได้ถูกปิดกั้นกระแสะของวัตถุกรมทั้งหลายที่ไหลามาในฐานะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นค่านิยมเป็นเรื่องสิ่งของต่างๆเนี้ยมันไหลามาจากรอบโลกถ้ามันไหลเข้าสู่เมืองใดประเทศใดกลุ่มใดถ้าประเทศนั้นกลุ่มนั้นไม่มีธรรมจักไหมกงล้อแห่งธรรมะไหลเข้าสู่กระแสะใจไว้ก่อนใจของสัตว์เหล่านั้นซึ่งไม่มีหลักยึดเลย ไม่มีหลักของสัตทินรียที่แข็งแรงคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคนของพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านี้นะแค่หลักแรกไม่มีเนี่นะจัดเหล่านั้นก็ซัดสายซัดสายในความคิดความเห็นนะในส่วนจริงก็ถูกกระแสของวัตถุ ก, การมทั้งหลายไหลเข้ามาถามว่าเยาวชนบุตรหลานญาติมิตรทั้งหลายของเราท่านทั้งหลายก็ไหลไปตามค่านิยมค่านิยมของวัตถุการมทั้งหลายเหลนะ่านี้ ในส่วนจริงก็เสพก็ติดกันใช่ไหมก็เสพติดเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานความแข็งแรงในทางด้านของพระธรรมคาสอนของพระบรมศ า, ศาสดานั้นไม่ได้ลาดลดกระแสใจของเยาวชนหรือว่าพุทธบริษัทของพระพุทธองค์เลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาปัญหาว่ามาในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะได้ยินกันว่าเดี๋ยวนี้ คนไม่ได้สนใจพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่าแปลกใจใช่ไหมในเมื่อข่านิยมทั้งหลายหรือวัตถุ ก, การมทั้งหลายหรือวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเหล่านี้นะแหล่งบันเทิงทั้งหลายที่มันไหลามาอย่างข้ามเขตแดนเนี่ยนะมันทะลักเข้ามาเต็มไปหมดแล้วทีนี้ยิ่งหลักใจของโดยเฉพาะคนไทยเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจนั้นนะ่ะ ไม่ได้น้อมเข้าใจในเรื่องการศึกษาแต่น้อมในเรื่องของการเสพติดและบริโภคฉะนั้นเมื่อสิ่งใดทะลักเข้ามาเบียดเสดเนี่ยเราก็จะเข้าไปเสพติดเมื่อไปบริโภคไปียดเสดก็เสพติดใช่ไหมก็จะเป็นความสนุกเป็นความสนุกสนานความลาาเริงความยึดติดไปความเพลิดเพลินความลุ่มหลงถ้าเรามามองในลักษณะนี้เราจะเห็นยังไงเห็นว่าแค่ แค่ผ่านมาทางจอโทรทัศน์จอทีวีทั้งหลายนี่ถ้าถามเด็กต้องถามเขาดูที่ลูกลูกดูละครเรื่องเนี้ยดูเพื่อศึกษาหรือดูเพื่อบันเทิงเขาจะตอบดีก็ดูเพื่อบันเทิงเพื่อสนุกเขาไม่ได้ดูเพื่อศึกษาหรือวิจัยหาเหตุผลใดๆกับเรื่องนั้นเลยฉะนั้นคําว่าศึ ก, ศกษาสิกขาเนี่ยนะ ซึ่งเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาก็าบอกว่าทศวริษัทต้องศึกษาทานศึกษาศีลศึกษาเมตตาเป็นต้นอะไรเนี้ยหรือวิจัยศึกษาเนี่ยนะก็ไม่แข็งแรงทางด้านพื้นฐานทางด้านความคิดแล้วแปลว่าตอนเนี้ยเด็กก็อ่อนแอทางด้านความคิดหรือเยาวชนทั้งหลายก็อ่อนแอทางด้านความคิดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราในฐานะเป็นผู้ใหญ่เผลอๆเราก็กลายเป็นผู้อ่อนแอทางด้านความคิดซะด้วยนี้ ไอ้ตรงนี้เราจะทํำยังไงสิ่งที่ควรตั้งหลักก็คือเมื่อศึกษาพุทธธรรมคําสอนของพระศ า, าสดาไปเสร็จแล้วสิ่งที่ควรจะติ้งเ้าก็คือว่าให้เขามองภาพรวมของศึกของการแย่งชิงใช่ไหมถามว่าในยุ ก, ก่อนนะลูกนะเขาแย่งชิงกันทางด้านของดินแดนและประเทศแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาแย่งชิงทางด้านของวัฒนธรรมประเภทนี้ ถ้าประชาชนในชาติเนี่ยละเลยวัฒนธรรมละเลยประเพณีละเลยระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติเบเสร็จแปลว่าเราเนี่ยไปหลงไหลได้พื้นกับวัฒนธรรมของตะวันออกแล้วแปลเราเราไปนสนุกสนานเลื่นเลยนั้นเนี่ยโดยข่านิยมเราตกเป็นเมืองขึ้นเขาเรียบร้อยแล้วทางด้านจิตใจถึงแม้ว่าเราจะมีทะเบียนว่าเป็นคนไทยเป็นพุทธเนี่ย แต่โดยข้อปฏิบัติโดยทางปฏิบัติของเราเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขาเรียบร้อยแล้วนี่ไงคือความอ่อนแอของลูกต้องบอกเขาทางด้านจิตใจที่แม่ไม่ได้เตือนไว้แต่ก่อนใช่ไหมนี่แหละคือคือคือคื อ, ค อ, คอจุดอ่อนแล้วทีนี้เอามาเป็นอย่างนี้ทำยังไงก็บอกว่าหันมามองใหม่ได้ไหมเออเราลองยอมพิจัยว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาวิจัยแบบ แบบศึกษาได้ไหมแบบศึกษาแล้วเรียนรู้ว่ามีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไรแล้วเราจะหาทางออกจากสิ่งนี้อย่างไรใช่ไหมเรามองว่าสิ่งดีตรงนี้มีอย่างนี้และจุดเสียคืออะไรไม่ใช่ให้เขามองสิ่งแค่เสพติดแต่ให้เขามองจุดดีแค่นี้นะนี่คือจุดเสียเมื่อเราเข้าใจทั้งจุดดีแล้วจุดเสียแล้วทางที่เราจะเดินออกจะเดินอย่างไรถ้าทาอย่างนี้ แต่ว่าเราให้อะไรให้วิธีคิดให้ปัญญาให้ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเขาเราที่อยู่ใกล้ชิดเขาต้องแนะวิธีการมองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองไม่ออกไงอันไหนมันเป็นอัาทะใช่ไหมสิ่งเหล่าเนี้ยมันให้อัาทะมันให้สุขสมมันให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินให้ตัณหาให้ความวิปลาสแค่ไหนและในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันให้โทษมันให้โทษมันให้ความเจ็บปวดให้ความ บอบช้ำยังไงและประการต่อมาทั้งสองอย่างเนี้ยเมื่อเราศึกษาทั้งสองข้อแล้วเราจะเดินออกจากอย่างไรการที่เราจะแข็งแรงในการเดินออกได้แปลว่าเราต้องมีพระธรรมของพระศ า, าสดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจในการที่จะเดินออกจากสิ่งนี้อย่างไรถ้าเรามีตรงนี้เราก็จะสามารถชี้วิธีปฏิบัติของเขาได้ชัดเจนเพราอจะมองเห็นไหมอันนี้ต่อแบบให้เห็นภาพ เพราะปัญหาแต่และบุคคลต่างกันใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขามีจุดดีของเขาไหมเขาให้ความสุขให้สมนะให้ความเพลิดเพลินให้ความยิน ด, ดีที่เป็นปัญหาไหมให้และในขณะเดียวกันเขาให้โทษไหมให้ความประมาทให้ความมัวเมาและเป็นไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมถ้าเรารู้ทั้งสองส่วนอะไรคือทางออกไอ้เขาวันนสารณะหนีทางออกคืออะไร ก็คือข้อปฏิบัติที่เราจะเดินออกจากมันเราจะเดินออกจากมันที่จะไม่ร่มหลงจะไม่มัวเมาจะไม่เสพติดกับสิ่งนั้นทั้งทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็แน่วิธีการเดินออกทีนี้เขาไม่รู้วิธีการเดินออกเราบออุบายได้ไหมอุบายวิธีเดินออกนี่ก็คือบอกข้อปฏิบัติก็บอกข้อปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะเดินออกอย่างไรเราจะตั้งท่าทีต่อสิ่งนี้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบมาลุมแล้วเราต้องสร้างวิธีคิดของเราให้เกิดความ แข็งแกร่งละเข้มแข็งอย่างไรต่อการที่เราจะเจอสิ่งเหล่านี้ยซึ่งเราจะเจออีกเยอะด้วยในสภาพสังคมอย่างเนี้ยนะแล้วก็แนะวิธีเขาเดินออกขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาพระธรรมคสอนไปวางตามลําดับใช่ไหมว่าเเราจะมีเราจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้เรานั้นเกิดความรู้สึกว่ามีฉันท่าขึ้นมาอย่างแรงกล้าในการที่จะศึกษาเรียนรู้มิริยะทิ่งอย่างแรงกล้าในกรณีที่จะมองคุณและโทษอย่างไร แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพิจารณาวิจัยแล้วก็มีปัญญาไม่ลุ่มหลงกับสิ่งนั้นแล้วก็เดินออกจากสิ่งนั้นให้ได้ก็แปลว่าให้อะไรให้เขาเกิดฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็ปัญญาให้ได้เพื่อจะได้ทําความแข็งแกร่งในทางด้านกระแสะจิตใจของเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาเพราะเขาอ่อนแอมานานใช่ไหมเขาติดเขาลุ่มหลงเขาหมกมุ่นกับเรื่องนี้มานานแล้วก็ให้กําลังใจเขาบอกวิธีการเขาบอกไม่ได้ก็นําวิธีนําคนอื่นไปบอกนห้ ดีไหมก็เป็นไปรักนี้ก็กระทาให้ตอนนี้ถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไหมพอจะมองประเด็นออกไหมเนี่ยออกเนาะยากไหมเอาไปทํายากไหมแบบเนี้ยไม่ยากเลยหมดได้ยังมีใครถามอะไรไหมกาญนมาศการพระอาจารย์ค่ะ คือมันมีวิจิกิจขึ้นมาเรื่องของอนาปนาสติค่ะเคยได้ยินมาว่าให้เจริญให้มากทำให้มากเนี่ยค่ะอ๋อ<ะ>เจริญให้มากกระทาให้มากมาจากว่าพระหูรีกรตาเนี่ยกระทาบ่อยๆกระทำให้มากก็คืออย่างนี้คํคๆนั้นเป็นชื่อของของสัมมาวายามะก็คือเพียรติดต่อ ความเพียรติดต่อในการที่จะตั้งสติในการที่จะบละลึกมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ที่จุดกระทบคำว่าทำให้มากในที่นั้นนั้นท่านขับเน้นว่าให้กุศลนั้นเกิดให้มากแล้วก็จเจริญให้มากจนกว่าจะได้สมาธิที่มั่นคงและเมื่อได้สมาธิมั่นคงแล้วจะได้เอาฐานของสมาธินั้น เป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสนาเพื่อความรู้แจ้งสภาวธรรมตามความจริงฉะนั้นตาบใดาที่ยังไม่ได้กระทําให้ติดต่อไม่กระทําให้มากไม่พยายามให้มากคําพยายามตรงนั้นไม่ใช่ทําไปเพราะความเครียดเพราะสภาพของกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นไปกระสม h m ะแล้วเบิขาเท่านั้นจะเป็นไปด้วยจิตที่ผ่องใสและจะเป็นไปด้วยความที่ปราโมทย์พิธิและจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อความเมื่อศรัทธาทำกิจในสมาธิสิกขาเมื่อยิ่งเห็นความสําเร็จของสมาธิที่เริ่มตั้งมัน่นความเชื่อมั่นในสมาธิสิกขาจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นแต่เบื้องต้นก่อนที่เราจะทําสมาธิสิกขาให้เกิดขึ้นความเชื่อมั่นในศีรสิกขาต้องชัดเจนแสดงว่าการพอกปูนศีรสิกขานเนี่ยแข็งเก่งและตรงนั้นแหละถึงจะเป็นฐานเป็นประทัด ฐ, ฐานเป็นเป็นเป็นเหตุใกล้ของสมาธิ ฉ่นั้นสมาแปลให้เห็นว่าก็คือว่าสัตทินรียความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นในศีรัสิกขาซึ่งเกิดขึ้นแล้วในชีวิตจริงเกิดแล้วนะคนที่เขาจะเดินสมาธิระดับพระหุงรีกรตาเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยนะก็ทําให้มากเป็นต้นเหล่าเนี้แปลว่าเขาเชื่อมั่นในศีรสิกขาเมื่อเชื่อมั่นในศีลสิกขาเมื่อมีศีรสิกขาเนี่ยเหตุใกล้ของสมาธิมีเขามั่นใจไหม เขามั่นใจแน่นอนว่าเขาเดินสมาธินี่เขาไม่ผิดหวังแน่เพราะศีลเป็นปัจจัยแก่ความไม่เดือดร้อนใจอ่ความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจจัยให้เกิดปราโมดความผ่องนะความอิ่มใจเล็กๆน้อยๆเป็นปัจจัยเกิดปีติความความปีติอย่างแรงปีติก็เป็นปัจจัยแก่สุขโสมนัติสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นในกระแสใจของท่านผู้ใ ด, ดนั่นแหละเมื่อเดินไปได้มากขึ้นมากขึ้นจะเป็นฐานรองรับของสมาธิ เมื่อสมาธิตั้งมั่นนั่นแหละท่านเหล่านั้นก็มาศึกษาเรื่องสภาวะลักษณะและสามั ญ, ญลักษณะของสภาวธรรม ก, ก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงเป็นด้นไดน้นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นกรณีการทําให้มากในที่นั้นเป็นความเพียรในการที่จะประกอบประกอบศีรขะสามหรือประกอบกุศลให้เดินขึ้นฉะนั้นตรงนี้สําคัญนั่นที่ขับเน้นว่าที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายล้มเหลวในเรื่องการไข้ควรหรือการปฏิบัติ เพราะความไม่เชื่อมั่นในศิกขาสามก็คือไม่เชื่อมั่นพรนะพุทธเจ้านั่นเองมาวันนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อมั่นมีความสาคัญจริงๆใช่ไหมความเชื่อมั่นในศิกขาสามก็จะเป็นไปเพื่อการพ่อปูนศิกขาสามจริงๆแล้วก็จะกระทาอย่างต่อเนื่องด้วยนะโยมพมันมีของเก่ามาที่ว่าข้อมูลด้านอนาปนสติอะค่ะ ทีนี้มันก็เลยขัดแย้งกันตอนนี้มาอบรมพุทธพุทธคุณนะคะก็เลยอยากให้พระอาจารย์เชื่อมโยงจากการอบรมครั้งนี้ไปสู่การใช้อนาปนาสติกอ๋อเดี๋ยวบุญกรณีอย่างการที่มาในครั้งนี้ขับเน้นในเรื่องของคุณของพระบรมศาสดาพเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้รู้จักพระพุทมีพระเจ้าให้กว้างขวางขึ้นจากที่เราท่านทั้งหลายได้รู้มาพอสมควรแล้วนะนั่นส่วนหนึ่ง เมื่อเรานั้นมีความเชื่อมั่นในคุณของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นว่าพระาศาสดาทรงแสดงธรรมเพื่อนำสัตว์นั้นให้ออกจากวัฏทุกข์ได้จริงเมื่อพระธรรมนำสัตว์ให้ออกจากวัฏทุกข์ได้จริ ง, ออรงนั้นสัตว์เหล่านั้นที่เดินตามรอยบาทรพระาศาสดาเพื่อจะออกจากวัฏทุกขบุคคลที่ออกจากวัฏทุกขได้เป็นไปตามลำดับนั้นคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยสงฆ์ส่วนบุคคลที่กําลังเดินตามรอยบาทรพระาศาสดาเพื่อจะ เข้าถึงความสิ้นทุกข์ น, นั้นก็เป็นสงสารโวของพระเจ้าซึ่งว่าจัดเข้าอยู่ในสิกขะได้นะผู้ที่กําลังศึกษาคําว่าผู้ที่กําลังศึกษาในที่นั้นแปลว่าผู้ที่กําลังพอกพูนบําเพ็ญสิกขาสามเพื่อจะทําศิกขาสามไม่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้ในกรณีที่จะบําเพ็ญสิกขาสามไม่เกิดขึ้นเพื่อจะพัฒนาจากพลุชนจากบุคคลธรรมดาเป็นสังฆนะเนี่ยเป็นหนึ่งในรัตนตรัย เป็นหนึ่งในในพระรัตน้าใจนั่นเองนี่กมาพิจารณาบอกว่าเราจะเชื่อมโยงสืบค้นให้เชื่อมโยงกับคําสอนอย่างไรถามว่าบุคคลที่บําเพ็ญตามศีลปฏิบัติเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงนั้นบุคคลเหล่านั้นก็คือบุคคลที่จะพัฒนาตนเองเป็นสังฆะที่นี้การที่เราจะพัฒนาตนเองเป็นสังฆาเป็นหนึ่งใน ศาสนานั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เดินตามที่นี่เมื่อจะเดินตามเบ็ดเสร็จบอกว่าในข้อธรรมที่พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในมูลปันนาก็ดีในทีคนิกายเป็นต้นก็ดีที่พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงที่ควแอนกุลุปัจจุบันก็อยู่ที่เด ล, ลีเนี่เนะที่เป็นบ้านเกิดของพระรัตปาลนี่เนาะฉะนั้นพระบรมศา ส, สดาทรงแสดงที่แฟนกุลุเพราะ ในแฟนกุรูนั้นเป็นสถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นมีความสปายะทั้งอุตตูก็สปายะอาหารก็สปายะที่อยู่ก็สปายะแม้บุคคลแม้ธรรมะก็สปายะคําว่าบุคคลสปายะแปลว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยที่สั่งสมมาจากอดีตถ้าชักอดีตก็เป็นเรื่องยาวเลยใช่ไหมชาวแคฟนกุรูเนี่ยก็ามาจากอุตละกุรูประเทศ ในยุคไหนในยุคของพระเจ้ามันาธาตุลาศ์สมัยที่พระบรมศาสดาทรงสร้างบารมีต่อมากระซืบเข้ามาตามหลับจนมายุคปัจจุบันก็เลยกลายเป็นแคว้นกูรูมาในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเดลีประเทศททั์ประเศอิน เ, เดียนในปัจจุบันนี้นั้นก็ว่าไปนั้นในเชิงต้องคำสอนความเป็นมาแต่ในแคว้นนี้แหละที่พระบรมศาสดาทรงพิจารณาดูแล้วว่าสมควรที่จะทรงแสดงสถิติฐานหรือธรรมะที่ลึกซึ้งไว้ใน แคว้นนี้เป็นต้นเพราะเหมาะแก่ชุมชนในหน้าที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าชุมชนที่เนี้ยเขามีปกติที่ไม่ประมาทไม่ประมาทเลยในบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในแคว้นนี้เขาเขาเจอหน้ากันก็จะสนทนากันว่าท่านเจริญสติปัฏฐานหมวดไหนถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานบดไหนเลย ไม่ได้ปฏิพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระบรมศ า, ศาสดาเลยเขาจะพากันตำหนิว่าชีวิตของเธอเป็นหมืนมากเกิดมามีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วคือสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวั น, วนหนึ่งเท่านั้นพระบรมศาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่เธอเลยน่าเสียดายนักก็จะพากันตำหนิพากันกระตุ้นเตือนในที่สุด คนในแคว้นนั้นก็จะพากันประพฤติปฏิบัตรทีมั้ยแล้วก็จะเดินตามรอยบาทรฉะนั้นพระศาสดาก็แสดงในที่นี้เราแสดงหละแสดงอาณาปันนะทําไมพระศาสดาจึงแสดงอาณาปันนะเพราะพระศาสดาต้องการให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากวัตรทุกข์ทีนี้การที่พระธรรมที่ทรงแสดงออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดานั้นน่ะที่จะทําให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากวัตรทุกข์ได้พระศาสดาก็รู้ว่า สัตว์เหล่านี้เป็นผู้ที่สั่งสมอัตยาสัยมาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมก็แปลว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้อบรมมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตรมันก็วิ่งไปตามรูปารมณ์สัทธารมณ์กันนารมและสารลมบดขั า, ารมณ์อย่างยาวนานเลยฉะนั้นพระศาสดาก็เลยแสดงพระธรรมเพื่อเป็นอุบายให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงเข้าถึงอะไรได้เข้าถึงคําสอนฉะนั้นการที่พระศาสดาประกาศพระธรรมเนี่ย ประกาศอาณาปาณ ะ, ะคือพร ะ, พระาศาสดาประกาศอะไรประกาศศีขาสามก็คือประกาศศีนสมาธิปัญญาใช่ไหมฉะนั้นเมื่อจะานพระาศาสดาท่าบอกว่าเมื่อเธอปรารถนาจะพ้นจากวัตจุกเนี้ลําดับแรกถ้าจะเจริญอาณาปณะสติเนี่ยเธอต้องตั้งมั่นในศีนก่อ น, นใช่ไหมก็แก่ประกอบศีนที่เป็นไปในภูมิศีให้บริบูรณ์เบ็ดเสร็จนะตัดปริโพลกังวลเบ็ดเสร็จเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ยไม่มีค้างอยู่ในใจเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ณอาสนะเดียว ใช่ไหมก็พระองค์ก <sh an astronomical atif> ็สอนเลยหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวไปว่าให้เจริญสติไหมเครดอานาปานะสติสมาธิเป็นข้อปฏิบัติเลยเธอจงกระทําด้วยอุบายอย่างนี้นั่นแหละเมื่อเธอกระทําด้วยอุบายอย่างนี้แล้วเนี่ยที่จะไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นไม่มี ภะศาสดาก็บอกอุบายบอกข้อปฏิบัติหนึ่งประกอบในศีลแล้วก็เจริญจิตแล้วก็อบรมปัญญาแล้วเธอจะถางลกชัดที่ติดนั่นในกระแสขันได้ฉะนั้นกรณีที่ภะศาสดาเห็นคุณของราศาสดานั่นแหละเลยน้อมที่จะฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังที่ประกาศภาาสดาประกาศสิกขาสาม เมื่อประกาศสิกขาสามเราตั้งมั่นในศีลก็เลยมาอบรมสมาธิด้วยการเจริญอาณาปานาสติเป็นต้นและวในที่จริงอานาปานาสติก็เป็นปัจจัยแก่การเจริญวิปัสสนาปัญญาแล้วก็ประชุมลงในอริยมรรคแล้วก็พ้นจากเวททุกเดิม น, นี้ก็เป็นช่องทางแห่งการหลุดพ้นของภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาของพระภูมิภาคเจ้านี้ช่องทางหนึ่งพอจะมองเห็นมนะั้ยอ่าหมดกัรถามแล้วนะงั้นก็พักนะ